ขันธกะปุตชาวาระว่าด้วยวาระคำถามและคำตอบถึงขันธกะสาข้าพเจ้าจาักถามถึงอุปสัมปทาขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไหรข้าพเจ้าจาักตอบอุปสัมปทาขันธกะพร้อมด้วยนิทาน พร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสองอย่างข้าพระเจ้าจะถามถึงอุโปโสถขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไร่ข้าพระเจ้าจากตอบอุโปสถขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุด ปรับอาบัตสามอย่างข้าพเจ้าจะถามถึงวัดสูปนายิกะขันทกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจะตอบวัดสูปนายิกะขันทกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตหนึ่งอย่างข้าพเจ้า จกถามถึงปวารณาขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจกตอบปวารณาขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสาอย่างข้าพเจ้าจะถามถึงจำมะสัญุตตะขันธกะพร้อมด้วยนิทาน พร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจกตอบจำมะสัญยุตตะขันทกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสามอย่างข้าพเจ้าจะถามถึงเพศฉะขันทกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศ บทบัญญัติสูงส mm ุด hmm. ปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจะตอบเพศสัชขันทกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสาอย่างข้าพเจ้าจะถามถึงกัททีนะขนทกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไร ข้าพเจ้าจะตอบกถินะขันธกะพร้อมด้วยนิธานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดในกถินะขันธกะไม่ปรับอาบัติข้าพเจ้าจะถามถึงจีวรสัญญุตตะขันธกะพร้อมด้วยนิธานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจะตอบจีวรสัญญุตตะขันธกะ พร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสามอย่างข้าพเจ้าจะถามถึงจําำปยขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไหร่ข้าพเจ้าจะตอบจําำปยขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุด ปรับอาบัตหนึ่งอย่างข้าพเจ้าจะถามถึงโกสัมพิกะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไร่ข้าพเจ้าจะตอบโกสัมพิกะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตหนึ่งอย่างข้าพเจ้า จกถามถึงกรรมมะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัติเท่าไหร่ข้าพเจ้าจะตอบกรรมมะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติ ส, สูงสุดปรับอาบัตหนึ่งอย่างข้าพเจ้ญญาจ like ะถามถึงปาริวาสิกะขันธกะพร้อมด้วยนิทาน พร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไหร่ t. ข้าพเจ้าจะตอบปาริวาสิกขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตหนึ่งอย่างข้าพเจ้าจะถามถึงสมุจชยะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเ <programmes S 2> ทศ บทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจะตอบสมุทจะยาขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตหนึ่งอย่างข้าพเจ้าจะถามถึงสมถะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจะตอบสมถะขันธกะ พร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสองอย่างข้าพเจ้าจกถามถึงขุดทกะวัตถุขันทกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจะตอบขุดทกะวัตถุขันทกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศ บทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสาอย่างข้าพเจ้าจะถามถึงเสนาสนะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจะตอบเสนาสนะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสามอย่าง ข้าพเ <converter> จ้าจะถามถึงสังฆเพทะขันท ก, กะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเ <cafeter> จ้าจะตอบสังฆเพทะขันท ก, กะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสองอย่างข้าพเจ้าจะถามถึงสมาจาระขันทกะ พร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจะตอบสมาจาระขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตหนึ่งอย่างข้าพเจ้าจะถามถึงถปณะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศ บทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจะตอบถาปณะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตหนึ่งอย่างข้าพเจ้าจะถามถึงภิกขุนีขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไร ข้าพเจ้าจากตอบภิกขุนีขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสองอย่างข้าพเจ้าจะถามถึงปัญจสติกะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไร่ข้าพเจ้าจกตอบปัญจสติกะขันธกะ พร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดในปัญจสติกะขันธกะไม่ปรับอาบัตข้าพเจ้าจะถามถึงสัตตสติกะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจะตอบสัตตสติกะขันธกะ พร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดในสัตตะสติกะขันธกะไม่ปรับอาบัติขันธกะปุตฉาวาระที่หนึ่งจบ